พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2556ณวัดป่าวิเวกวัฒนารามมีชื่อเรื่องว่าผีชั่วกลัวพุทโธ ต่อจากนี้ไปพวกเราก็อารัธนาพระคุณเจ้าแสดงธรรมว่าพร้อมกันพรหมาจาโลกังอนุกัมมิมังปัจจังนะโมตัสสะปะโกะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 สิ่งที่เคารพสักกระุดจิตจุดใจของหลวงปู่จริงๆเพราะว่าท่านบอกว่าพระธาตุของท่านเสด็จมาเองเป็นส่วนมากแต่มีบางคนก็มีคนถวายแล้วก็เสด็จมาเพิ่มเติมอีกต่างหากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นในวันนี้มีมากพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระธาตุของพระรหันมีหลายๆพระองค์ที่พวกเราได้สงน้าได้สงพระธาตุในวันนี้ เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลสำหรับพวกลูกหลานทั้งหลายวันนี้มาคบรอบวันสงพระทาตอีกช่วงหนึ่งก็เป็นวันวิสาขบูชาวันนั้นก็เป็นวันสงพระทาตที่หลวงปู่เคยแนะนำบอกกล่าวชักชวนพี่น้องประชาชนัดทาญาติโยมลูกหลานให้มาสงพระทาตสองวันปีหนึ่งมีอยู่สองวันวันมาฆบูชาวันหนึ่งวันวิสาขบูชาวันหนึ่ง แต่วันปีนี้หลวงตาหลวงปู่ของเราได้จากได้ละสังขารไปแล้วหลวงปู่ของเรานอนสงบนิ่งอยู่ในตู้เย็นในห้องเย็นแต่พวกเราท่านทางหลายที่หลวงปู่พาดำเนินพาสงฆ์พระทาตพวกเราก็ลําลึกถึงบุญคุณขององค์หลวงปู่เพราะนั้นผู้ใดอยู่ไกลถึงขนาดไหนก็เมื่อทราบว่า นี่ละหลวงปู่พาสงพระธาตุพ่อมพากันหลังไหลมาทีนี่มากราบมาไหวมากราบสรีระของหลวงปู่ด้วยแล้วก็มาสงพระธาตุของหลวงปู่ด้วยเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันกราบไหวสักระบูชาของพวกเราลูกหลานทั้งหลายแล้วก็เป็นวันสำคัญยิ่งคือวันมาฆบูชา อย่างที่พวกเราได้บรรยายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านวันเช่นนี้เราควรจะทำตนอย่างไรทีนีเ่เรามันต้องโอปัญิโกน้อมเข้ามาหาพวกเราท่านทั้งหลายควรจะบูชายอย่างไรบูชาคือบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจา้าพระธรรมเจา้าพระสังฆเจา้า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 เดินออกนอกรูนอกทางที่อัตมาได้พูดเดินออกนอกวงนอกรั้วของศีลห้าแล้วมีแต่ความหายนะที่จะเข้าสู่ชุมชนและสังคมในยุคนั้นๆในกลุ่มนั้นๆในบุคคลนั้นๆ น, น, นี่แหละถ้าว่าพวกเราอยู่ในศีลห้าพวกเราจะมีแต่ความพรมเย็นเป็นสูกอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเียว่าพระธรรม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 ถ้าจะพูดเรื่องทานเรื่องศีลก็คงจะยืดยาวเพราะเรื่องทานเรื่องศีลอันในสงศิลป์เป็นยังไงอันในสงทานเป็นยังไงอันในสงศิลป์เป็นยังไงครูบาอาจารย์เคยแนะนาบอกกล่าวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษามามากพอสมควรแต่เรื่องจิตภาวนานี้ท่านก็บางองค์พูดบ้างปะปะไปไปายพูดบ้างแต่ไม่ได้ชัดเจนบางทีก็จับต้นชนปลายไม่ถูกบางทีก็ ไม่รู้จะปฏิบัติตนอย่างไรจึงจะถูกต้องจะขึ้นต้นอย่างไรนับหนึ่งอย่างไรหนึ่งสองสาม ส, ามสพิธีการปฏิบัติทําตนอย่างไรอันนี้ก็ครูบาอาจารย์บางท่านก็ น, นับแต่เรื่องเอาบริกรรมพุโทโธพุโทโธนะพุโทโธที่บริกรรมในช่วงไหนบริกรรมอย่างไรอันนี้ก็แต่ตา ม, มามจริงบริกรรมได้ทุกเวลานะจิ้งดีแต่มันพวกเราท่านทั้งหลายมีหน้าที่การงาน เราก็ควรจะหาวิธีที่จะภาวนาหรือว่าหาวิธีที่จะบริกรรมพุทโธในช่วงไหนจะเหมาะที่สุดนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายจะต้องศึกษาเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อจะให้คําแนะนําให้คำปรึกษากับคณะรัทยาญาติโยมทุกๆหมู่เหล่านะหลวงพ่อยกตัวอย่างของหลวงพ่อเองนะหลวงพ่อไปณนะสถานที่ใดหลวงพ่อก็ยกประเด็นว่าหลวงพ่ออินเนี่ย สมัยเป็นเด็กอายุ11อย่าง12ปี 2,500 ปี 2,500 ันอเมื่อจบเรียนจบปสีแล้วขึ้นมาอยู่ขลวงปูร่าอายุ10บกว่าปีน่ยพวกเราคิดดูซิลูกหลานถ้าเป็นลูกหลานของเราเนี่ยตัวโตขนาดไหนรู้สึกว่าหลวงพ่อตัวผอมอีกต่างหากตัวเล็กๆตัวผอมอีกต่างหากเหมือนกับชนบทบ้านนอกจากนั้นพอมาขึ้นไปหลวงปูร่า หลวงปู่ล่าก็พยายามบอกกล่าวแนะนำสั่งสอนเพราะนั้นหลวงพ่อเองได้รับคำแนะนำสั่งสอนจากหลวงปู่ล่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะเราไม่ได้รับการศึกษาไม่มีพื้นฐานมาก่อน เ, อเพราะนั้นหลวงพ่อเองเมื่อได้รับคำสอนจากองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วหลวงพ่อจึงได้ประยุกต์นามาคิดย้อนหลังว่าจุดไหนที่เราไม่เข้าใจจุดไหนที่เราเข้าใจ จุดไหนที่เราจะนำมาพูดให้แก่มาแนะนำพี่น้องประชาชนศรัทธาญาจมให้เข้าใจวันนั้นหลวงพ่อจึงได้นำเรื่องที่ได้ประสบประการของตนเองมาบอกกล่าวมาแนะนำสั่งสอนลูกหลานคณะศรัทธายาตโจมแต่บางท่านบางคนก็ที่ได้ผ่านไปแล้วรู้ไปแล้วปฏิบัติมาแล้วก็ได้ฟังอีกพอได้ฟังเลยก็เหมือนกับหลวงพ่ออินเอาหนังมา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 ผลที่สุดก็เลยไม่รู้ในใจฮะแต่อยากจะรู้อยู่แต่ว่าไม่กล้าถามฮะถ้าจะถามก็เสียเปรียบห้ว่า้าวักตัวเองเป็นพุทธมาม ก, กะอายุขนาดนี้แล้วยังไปหาถามเรื่องวิธีการปฏิบัติภาวนานั่งยังไงปฏิบัติยังไงบริกรรมยังไงอีกต่างหากเนี่ยสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อก็ได้มาคิดนำมาประมวลดูเพราะนั้นหลวงพ่อจึงไปนัสถานที่ต่างๆพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมกลุ่มใหญ่ เข้ามาหลวงพ่อจะพูดวิธีการปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอย่างที่เด็กชายอินเข้าไปกราบหลวงปู่ล่าเป็นครั้งแรกหลวงปูล่ลาท่านก็สอนสอนอา้อาวเข้ามาสู่วัดนะมาอยู่ป่าดงพงไพ่นะ เ, เทวบุตรเท ว, วดามีทุกแห่งหะนะ้าภูมะลุขะเท ว, วดาอยู่ในภูเจ้ากะภูเขาเหล่านี้ให้ตั้งใจภาวนานะ ให้ไหว้พระนะให้ยึดพระไตรสารณคมพุทธังธรรมังสังขังให้แน่นหนามั่นคงนะผีสางนางไม้กลัวทั้งหมดท่านเล่ายึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทรณพเป็นที่พึ่งแล้วอะไรของเข้ามาไม่ถึงท่านก็พูดเป็นเรื่องราวให้ฟังท่านก็ยึดสมัยที่ท่านพูดเป็นเรื่องชาดกแล้วเป็นนิทานพ่อลูกไปหาฟืนอยู่ นอกกรุงสาวัตถีเกลี่นวัวล้ อ, อกลับเข้ามาในเมืองก่อนพอหาฟืนใส่ล้อเต็มแล้ววัวล้อมันกลับเข้ามาในเมืองก่อนผู้พ่อก็ตามวิ่งตามวัวล้อเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูทีทีลูกชายตัวเล็กๆที่ไปกับพ่อไม่รู้ที่ไปนอนที่ไหนไปมุดเข้าท้องเกวียน พ่อเห็ิมะเห็นพ่อมามบื่อข้าเข้าข้าเข้าไม่รู้จะไปที่ไหนฮมุดเข้าไปในท้องเกวียนแล้วก็ น, นอนฮพอนอนทีนี้อมนุษย์อมนุษย์ก็คือพวกพวกผีกระสือพวกผีอะไรก็ไม่รู้แล้วอมนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทีนี้ก็อมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฐิเห็นเด็กนอนเด็กน้อยนอนอยู่ใต้ถุนเกวียนอมนุษย์ที่เป็นมิจฉาทิฐินะั้นบอกไอ กะตุกขายดูที่มันมันจะเป็นยังไงเด็กคนนี้พ่ะะนะไอแต่คนหนึ่งบอกว่าเอออย่าอย่าไปทํานะเขาเป็นดูดูแล้วฟังฟังดูดูแล้วเขาเป็นสัมมาทิฏฐินะพ่อเขาเขาเนี่ยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะอย่าไปล้อเล่นเขานะเออคืออามนุษย์สองคนคนหนึ่งตนงตห น, ต ห, นตหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิตนหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหม ตอนี้ไอ้ตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เชื่อเหมือนกันแต่เนียทดลองดนะูสิมันจะเป็นยังไงตอนี้นก็เลยไปกระตุก ข, ขาไปกระตุก ข, ขาเด็กคนนั้นอะกาลังนอนอยู่เด็กคนนั้นกับพ่อแม่สอนให้ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเ อ, อหรือว่าก่อนนอนก็อัลลังสวาวาขาโตสุปฏิปันโนพุทธังธรรมังสังขังก่อนนอนก็ให้พุทโธพุทโธนะ พ่อแม่เขาก็สอนอย่างงั้นแต่นี้เด็กคนนั้นมันก็หมดที่พึ่งใช่ไหมพ่อก็ไม่เห็นออกไปเพราะพ่อตามวัวเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูเขาไม่ให้ออกไปแต่นี้เด็กคนนั้นก็นอนอยู่คนเดียวอยู่ในป่าป่าช้าพอฟืนมันหาได้ แ, แถมแถวป่าช้าใช่ไหมฟืนที่ไม้แห้งแต่นี้นถ้าแกก็นอนนอนอก็นี้ยนละอมนุษย์คนนั้นไปกระตุกขา กระตุขาเด็กพอกระตุขาท่านนะ่ะเด็กคนนั้นก็เขามีพุโทโธอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมเวลากลรมขั้งกลรมคืนฝันอะไรฝันไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเนะี่ยพ่อแม่ก็ให้ภาวนาพุโทโธนะแต่ไนเขาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธขาวา น, นะเขาลำลึกถึงพระพุทธเจ้าเลยทีนี้อ่เอมนุษย์คนนั้นได้ยินกระโดดเหงียงเลยทีนี้อ่ พอเอามนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอย้ยไม่ได้นะถ้าเธอทำอย่างนี้ไปเนะี่ยเจ้านายใหญ่ของเราเนะี่ยไปหาเจ้านายเจ้าต้องมีโทษต้องลงโทษคนที่ไปทำความชั่วอย่างนี้เจ้าต้องวิธีต้องแก้นะแก่แก้ทดแทนเขาทำความดีแทนเขามันจึงจะถูกเลยเอามนุษย์ตัวที่ เป็นมิจฉาทิฏฐิทว่าจะให้ผมจะให้ผมทำยังไงทางมิจฉาทางตนที่สัมมาทิฏฐิไปเข้าไปเอาอาหารอยู่ในเมืองใครว่าอามนุษย์มันเป็นหายตัวได้ใช่ไหมล่ะจะแดงฤทธิ์ได้หายตัวได้ไปเอาอาหารมาให้เด็กคนได้กินตอนนี้ก็พูดผีปีศาจตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะี่มันก็เลยไปนูน่นไปหาที่ไหนก็ ไ, ได้ ไปเอาสำรับของพยาปเสนเท่านั้นแหละมันอยู่ในในเวียงในวังสมัยทุกวันนี้ก็คงจะไปเอาในตู้เย็นนะมั้งแต่สมัยนั้นคงไม่มีตู้เย็นเขาก็เก็บไว้อาหารที่มันยังมีอยู่เอ่ออมนุษย์คนนั้นก็เลยไปเอาอาหารมาให้มาถึงมาแล้วก็ปลูกให้เด็กเด็กมันก็หิวอาหารเนี่ยพ่อไปเสร็จแล้วอาหารเย็นก็ไม่ได้กินปลูกขึ้นมาก็ลูกลูกล ก, กขึ้นมากินอาหารมะ เด็ก น, นก็งัวเงียขึ้นมาใช่ก็เห็นอาหารมันก็หม่ำาจะพอกินเสร็จแล้วก็นอนต่ออีกใช่อัอมนุ์ตัวนั้นก็เลยทิ้งชาระทองคำทิ้งไว้ทีนั้นจากนั้นก็ ต, ต่างคนต่างไปแล้วนี่ไพอทุงเช้ามาพ่อ็เลยรีบออกไปเอาวัวล้อออกไปพอออกไปไปถึงลูกชายพวกในเมืองเทก็ว่าเนี่ยจาน ทองคําของพระเจ้าประเสนหายไม่รู้หายไปไหนก็คนทั้งหลายก็ออกออกคนละทิศคนละทางกันเลยพวกตํารวจนะออกไปก็ไปเห็นจานทองคําอยู่ใต้ถุนเกวียนไง เ, เขาก็จะจับพ่อทีนี่ลงโทษโทษประหารอีกต่างหากทั้งผู้พ่อะผมก็ออกมาจากในเมืองเดียวนี่ก็ถามเด็กเด็กมันเป็นยังไงเด็กก็บอกพ่อพ่อแล้ว เอาอาหารมาให้กินมาคืนเนดะ้อโรคโลคโลคโๆคโรคผมขึ้นมาผมก็ไม่รู้แล้วผมก็กินกินมันเด็กเด็กน้อยอ่ะเขาบอกว่าพ่อเป็นโทษเท่นี่เอาพ่อออกมาจากในเมืองเท่นี่ผลในสูตรตำรวจก็ไม่รู้จะเอาโทษยังไงเท่นี่ผลในสูดก็เลยนําไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยอมนุษย์นี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งถ้าว่าผู้ใดก็าตาม ยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึงแล้วพูดผีปีศาจเขาให้ความเครารพทั้งนั้นนี่หลวงปู่ลาท่านสอน เ, อเด็กชายอินนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวใไอภาวนาพุทธโธยึดพุทธโธไว้ให้เป็นหลักนะถ้าคนมีพุทธโธแล้วพวกอามนุษย์พวกผีปีศาจกลัวทั้งนั้นท่านว่าหลวงพ่อก็เชื่อหลวงปู่ใช่ไหมล่ะาจากนั้นท่านก็เอาก่อนที่จะหลับนอนนะให หวายพากรกลาพุทโธธัมโมสังโฆนิพพานังกลาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังพระนิพพานะอ้ น, นี้แหะคืออันดับแรกทนเจากนั้นก็ท่านก็ว่าอลาหังสวาคาโตสุปฏิปโนจะกนนโมตัตะภควาโตพุทธังธรรมังสังฆังและอิจิปิโสได้ไหมไม่ได้ครับเออไม่ได้ไม่ต้องพูดแต่แผ่เมตตาพอให้แผ่เมตตานะให้ตั้งจิตอย่างนี้นะตั้งจิตให้ว่างๆทาจิตให้นิ่งๆ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 จากนั้นค่อยเอามือเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นให้ภาวนาเนอะให้หายใจเข้าให้กำหนดลำลมหายใจเข้าพุดหายใจออกโทหายใจเข้าพดหายใจออกโทพุดโทพทโทให้อยู่ที่ปลายจมูกเหมือนกเรายือนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นละ่ะคนเข้ามาเรารู้ว่าคนเข้า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 สัสองสามสี่ห้าครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นให้มีสติสัมปัญญาที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้ทำอย่างนี้นะวิธีการภาวนาต่อไปจิตใจของเราเข้มแข็งมันไม่เผลอต่อไปใจของเราจะรวมสงบลงสงบมันไม่ปิดปุ่งฟงซ่านจิตใจไม่หิวไม่หอย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 เพราะนั้นหลวงพ่อจึงได้นำมาประยุกต์ใช้บอกกล่าวให้แก่คณะทาญาติโ ย, ยมผู้ที่เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาฟังให้ปฏิบัตินะถ้าว่าผู้ใดมีสมาธิดีจิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่สานแต่ว่าพวกเราไม่เคยฝึกจิตภาวนาจะเป็นยังไงเมื่อไ่ฝึกจิตภาวนาก็ทำให้เป็นอัลไซเมอร์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะและก็หลงลืมได้ไง่าย เดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็ลืมแล้วก็จิตใจจะรวนเละจะคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้ น, น, นะจะเป็นบ้าเป็นบอในง่ายๆพะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักปรองไม่รู้จุดจะไม่รู้จักปร่งถ้าคนภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นจะวิ่งเข้ามาหาพุโทโธพุโทโธน ะ, เ, ะเหมือนกับ เ, เด็กชายหนุ่มเด็กชายเด็กน้อยคนนั้นล่ะ ถ้าามีอะไรเกิดขึ้นกับวิ่งหาพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโลกธรรมทั้งหลายนินทาจนันเสริญ เ, เข้ามาใจของเราก็จะวิ่งเข้ามาหาที่เกาะที่กำบัง เ, เพราะอะไรพราะเราเคยฝึกมาทางจิตตภาวนามาทางนี้แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็วิ่งเข้ามาหากําหนดดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ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 จิตใจไม่เคยมีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าเขาแนะนำอันไหนถ้ามีอุปสรรคมีลาบเสื่อมลาบเสื่อมยศมีทุกข์เข้ามาน่ใครแนะนำยังไงเอาหมดเนี่เขาแนะนำให้กินขี้หมาก็กินเหมงั้นเถอะเพราะว่าจิตใจไม่มีหลักถ้าจิตใจมีหลักจะไม่แหละจิตใจจะต้องมั่นคงเชื่อมั่นในศิลในธรรมเชื่อมั่นในตนเองถ้าคนภาวนา เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะนักทารรยาติโยมูกลูกหลานทุกคนนะทุกทุกท่านนะให้ฝึกหัดไว้เรื่องภาวนาไม่ใช่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายสติสัมปัญญะคนที่มีสติสัมปัญญะอยู่กับตัวเองไปอยู่นักสถานที่ใดดีทั้งหมดนั่นแหละถ้าว่าคนขาดสติมากๆแล้ว เ, เป็นยังไงพวกเราก็คงเห็นผมยาวๆ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 ไม่นั่งนานนะทั้งสักสินาทีอย่างที่ให้เด็ครบสูตรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพวกทานเราก็ได้ทานแล้วได้กราบไหว้สักการบูชาเราก็ได้ทําแล้วบัตรนีเ้เรื่องศีลเราก็ได้มีศีลด้วยกันอยู่แล้วแต่นี้ต่อไปนั่งภาวนานะัทีนี้นะภาวนาเนี่หลวงพ่อจะแนะนําแนวของหลวงพ่ออีกอย่างหนึง่งพอก ร, รมฐานพระพุทธเจ้าวางไว้ที่สี่สอย่างนะหลวงปู่มั่นครูบาอาจารย์แนะนําเอามาใช้ก็คือ อาณาปานสติพร้อมกับบริกรรมพทโทท่านออกมาใช้สองอย่างกรรมฐาน40นี่บนะแต่หลวงพ่อขอแนะนำให้แก่คณะท า, ศ า, ศ า, ศาย า, ศ า, ศาิโยมที่นั่งในวันนี้ท่านนั่งดูแล้วหายใจเข้าให้นับนะนับตัวเลขหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับ4ี่นับ5้านับหจนถึงร0 0ถ้ามันไม่เผลอถึงร้อยไปวัาดีนะดีมากแล้วเริ่มเริ่มดีเลยล่ะ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 ค่ามีสติดีไหมสติไม่ดีขนาดไหนให้ถามถามตัวเองได้ พ, พิสูจน์ด้วยตนเองได้นะหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองห้ยใจเข้านับสามนับสี่นับผ่าไปถึงร้อยไม่เผลอนับถูกต้องแปลว่าใช้ได้ดีแต่นับไปไม่ถึง10บหรอขาดหายใจเข้าเป็นเลขขี้หายใจเข้าเป็นเลขคู่หายใจออกเป็นเลขขี้แนะปลว่ามันสลับกันแล้วแปลว่าขาดสติแล้ว เพราะนั้นขอให้พวกคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกค น, นเอานั่งสมาธิที่นี่นะเมื่อเอา ข, าขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราปรนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆ ส, โสมจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วก็ให้แผ่เมตตาอย่างที่